สิกขาบทที่เกภิกษุณีไม่ถามอุโบสถบ้างไม่ถามโอวาทบ้างต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตปาจิตตี